ข้อความในพุทธวงต่ออีกน่ะ น, นะผ่านมาแล้วสามอสงไข่นั่นนะเหตุการณ์ผ่านไปสามอสงไขยอสงไขยที่หนึ่งมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่พระองค์ตันหังกรเมทางกรสาระนังกรพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้พระรับพยากรณ์สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเหตุการณ์ก็ผ่านไปอสงไขยที่หนึ่ง ย่างเข้าสู่อสงไขที่สองก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพียงพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าโกนทัญญาวันเวลาก็ผ่านไปอีกหนึ่งอสงไขยอสงไข่ที่สถ้าอสงไขยที่ ส, ส, สก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสพระองค์พระพุทธเจ้ามังคละนะสมณะเรวตะและพระพุทธเจ้าโสพิตะ พระพุทธเจ้าที่พยากรพระพุทธเจ้าของเรานั้นหพระองค์แล้วพระพุทธเจ้าทีปังกรโกนธัญญะมังคละสุมาณะเรวตะและก็โสพิตะ เ, เหตุการณ์ก็ว่างจากพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งอสงไขยจนถึงอสงไขที่สก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกชื่อว่าพระอนุมัติสี นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอนมัตสีมาจวบจนปัจจุบันใช้เวลาหนึ่งอสงไข่แสนกลับด้วยกันพระพุทธเจ้าอนุมัตสีนั้นมีเหตุการณ์ที่สาคัญเกิดขึ้นสองประการคือในสมัยนั้นพระองค์ได้พยากรณ์พระสารีบดีกับพระโมคคัลลานะว่าจะเป็นคู่อัครสาวกของพระพุทธเจ้าโคดม พยากรพระพุทธเจ้าได้รับพยากรมานานแล้วแต่สาวกเพิ่งจะได้รับพยากรอันนี้อัคราสาวกนะส่วนปกติสาวกที่เป็นเอตทักคะทั้งหลายต้องรออีกหนึ่งอสงไขยนะรออีกอสงไขยก็คืออีกหนึ่งอสงไขยนั่นแหละจึงจะพยากรปกติสาวกทั่วๆไปพระอัคราสาวกคือพระสารีบุตรกับพระโมคคลานะนั้น จึงมีบุญเหนื้อสาวกทั่วๆไปหนึ่งอสงไขยซึ่งห่างกันเยอะเนี่ยนะห่างกันมากห่างกันเท่าไหร่บอกหนึ่งอสงไขยว่างง้นเพราะว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะบ่มบา ร, รมีบ่มปุสลตั้งแต่วันที่ได้รับพยากรณ์นั้นหนึ่งอสงไขยแสนกับพระพุทธเจ้าได้รับการบ่มก็บ่มอุ ป, ปนิสัยอัธยาศัยเนื้อกว่าสาวกหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะ มาดูข้อความในพุทธวงศ์ก็คือวงของพระอนุมัตสีพุทธเจ้าที่7ดข้อ8กล่าวว่าต่อจากสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะผ่านไปประมาณหนึ่งอสงไข่นั่นนะก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัตสีสัมพุทธเจ้าผู้เป็นยอดแห่งสัตว์สองเท้าอย่างที่กล่าวในภาษาท่สูตรว่าในจํานวนสัตว์ไม่มีเท้า สัตว์สองเท้าสัตว์มีเท้าตลอดจนถึงอรูประสัตวหรือว่าสัตว์ที่มีสัญญาไม่มีสัญญาเนวสัญญาสัตว์ทั้งมวลเพียงใดเนี่ยนะมีประมาณเพียงใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อว่าเป็นยอดแห่งสัตว์เหล่านั้นมันที่ยกว่าสัตว์สองเท้านี่ก็เพราะว่าเป็นสัตว์พิเศษจริงๆแล้วเนื้อสัพสัตว์ทั้งหมดพระองค์นั้นมียศหาประมาณไม่ได้ทั้งบริวารยศเป็นต้น มีพระเดชอันล่วงละเมิดได้ยากเนี่ยนะนะเดชคือศีลเดชคือสมาธิปัญญาเป็นต้นนั้นไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้นะก็คือแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นยิ่งใหญ่มากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงตัดเครื่องผูกทั้งปวงเครื่องผูกเอาไว้ในการมมาพบรูปประพบอรูปรประพบพระองค์ทรงรื้อพบทั้งสามเพราะอะไรเพราะตัดกรรมตัดกรรมที่จะนําไปสู่พบสามแล้ว และพระองค์ก็แสดงมรคาเครื่องไปไม่กลับมรคาไปสู่อัปปวัตตะมรคานั้นก็คืออริยมรคอริยมรคเป็นหนทางเพื่อไปสู่พระนิพพานอันไม่กลับเป็นธรรมดาอัปปวัตตะอัปปวัตตะอนิมิตตะอนายูหณะอัปปติสนทิอคติอัชาติไม่มีชาตินะนั้นลักษณะของพระนิพพานไม่เป็นไปไม่เกิดไม่แก่ไม่ป่วยไม่ตายไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความ ปริเทวะร่ำไรรำพันไม่มีความคับแค้นใจพระพุทธเจ้าแสดงถึงข้อปฏิบัติคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดอย่างลงสู่พระนิพพานเหล่านั้นสำหรับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลก็ความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อความพ้นจากกองทุกข์เหล่านั้น พระองค์ไม่กระเพื่อมดุจสาครอันใกลๆเข้าเฝ้าได้ยากดุจบรรพศมีพระคุณไม่มีที่สุดดุจอากาศทรงบานเต็มที่ดุจพยาสารพฤกแม้ด้วยเพียงเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตว์ทั้งหลายก็ยินดีสัตว์เหล่านั้นได้ฟังพระดํารัสของพระองค์ซึ่งกําลังตรัสอยู่ก็บรรลุอมะตะธรรมพระองค์มีธรรมมาพิสมัยสําเร็จจำเริญไปในครั้งนั้น ทรงสแสดงธรรมครั้งที่หนึ่งสัตว์ร้อยโกรธก็ได้ตรัสรู้เมื่อพระองค์ทรงหลังฝนคือธรรมหลังฝนคืออริยสัจธรรมเนี่ยนะตกลงมาในสมัยนั้นอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งที่หนึ่งนั้นผ่านไปการสแสดงธรรมครั้งที่สองก็มีสัตว์ตรัสรู้0โกรธเมื่อพระองค์หลังฝนต่อจากครั้งที่สองสัตว์ทั้งหลายก็ได้อิ่มอภิสมัยครั้งที่สมีการตรัสรู้เ็สิบ แโกดเนี่ยนะเ8โกดพระอโนุมัตสีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีสันนิบาตการประชุมสาวกอรหันผู้ถึงกําลังแห่งอภิน ญ, ญาผู้บานเต็มที่แล้วด้วยวิมุตสามครั้งนะประชุมพระอรหันสามครั้งครั้งที่1เป็นการประชุมพระอรหันแ 0,000 นผู้ละความเมาและโมหะมีจิตสงบผู้คงที่ ครั้งที่สองเป็นการประชุมพระอาหารหันต์เจ็0 0 0นผู้ไม่มีกิเลสปราศจากผู้ลีผู้สงบคงที่ครั้งที่สเป็นการประชุมพระอาหารหันต์หกแสนผู้ถึงกําลังแห่งอปินยาผู้เย็นสนิทมีตบะนั่นก็กล่าวถึงพระพุทธคุณทั้งหลายของพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของพระองค์ในการประกาศธรรมของพระองค์ในการตรัสรู้ของสัตว์ทั้งหลายและการประชุมสาวก ทีนี้ย้อนมาหาพระโพธิสัตว์ของเราผู้ที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมนั้นพระองค์เราว่าสมัยนั้นเราเป็นยักษ์มีริสเป็นใหญ่มีอํานาจเหนือยักษ์หลายโกรดเนี่ยนะคำว่ายักษ์นั้นเป็นชื่อของเทวดาเทวดาชั้นจาตุ ม, มหาราชนั่นเองแม้ในครั้งนั้นเราก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นเลี้ยงดูพระองค์ ผู้นําโลกพร้อมทั้งพระสงฆ์ให้อิ่มนหนำสำราญเทวดาเขาก็ทําบุญเหมือนกันนะเทวดาถวายอาหารเหมือนกันพระมุนีผู้มีพระจักสุบริสุทธิ์แม้พระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์เราคือพระองค์ผู้มีจักสุเห็นอดีตได้ไม่ขัดข้องเห็นอนาคตไม่ขัดข้องเห็นทั้งเสียบศ ร, รพ์สิ่งทั้งมวลเหมือนมะขามเหมือนดูมะขามป้อมบนฝ่ามือนะพระองค์ก็เล็งเห็นแล้วว่า บุตรผู้นี้นะนับจากนี้ไปเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าในกับที่หาประมาณไม่ได้นับแต่กับนี้ก็คือหลังจากนี้ไปหนึ่งอสงไขยแสนกับยักษ์ผู้นี้หรือเทวดาผู้นี้จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอดใจรอไว้ไหมเนี่ยหนึ่งอสงไขยบอกอดใจรอไม่ได้แต่ไปไม่ได้ไอ้รอก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถูกทําไงดีกันเนี่ย มันหนักกว่ารออีกใช่ไหมถ้ารอมันก็ยังพอมีหวังไนงะไอไปก็ไม่ได้ไอรอก็ไม่อยากรอเนะนี่ยนะนี่ลำบากมากอาัติสุดนั้งนั่นพระตถาคตเสด็จออกพิเนสกรมพิเนสกรมหมายถึงเนคข ม, มะการออกบวชเนี่ยนะอันนี้เป็นคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าอนมุมัตสีพยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าพระตถาคตจะเสด็จออกอภิเนีสกรมจากกรุงกบิลพั์ที่น่ารื่นรมทรงตั้งความเพียรธรรมทุกขะกิริยา พระตถาคตประทับนั่งนโคนต้นอาชาปาลนิโครธทรงรับเข้ามาทุปายาตในที่นั้นแล้วเสด็จเข้าไปยังแม่น้นําเนรัญชาราที่จริงอ่ะเข้าไปยังแม่น้นําเนรัญชารานี่แปลว่าข้ามจากฝั่งหนึ่งไปสู่ฝั่งหนึ่งไม่ใช่ไปมุดน้ำหรือที่ไหนหรอกหมายควา ม, มว่าข้ามจากอีกฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะอยู่คนละฝักกันพระชินะพุทธเจา้าพระองค์นั้นสเสวยเข้ามาทุปายาตเริมฝั่งแม่ น, า น, าน้ําเนรัญชารา เสด็จดําเนินไปตามหนทางอันดีที่เขาจัดแต่งแล้วเข้าไปที่โคนต้นโรพพฤึกแต่นั้นพระผู้มีพระยศใหญ่ทรงทาประทักษิณโพที่มันทัศฐานอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ณโคนโรพพฤกชื่อว่าต้นอสัตธต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้เนี่ยนะท่านผู้นี้จะมีพระพุทธมารดาพระนามว่ามายาพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุธทธโธทนะท่านผู้นี้มีพระนามว่า โคตมะอัครสาวกชื่อวโกลิตะและสาริบทผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นผู้ท้อุปถาคชื่อว่าพระอานนท์จากบำรงพระชินะพุทธเจ้าพระองค์นี้เสมือนเงาติดตามตัวพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลว น, นาผู้ไม่มีอาสวะมีจิตสงบตั้งมั่นโพพฤก ต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอสัต t h ต้นโพใบอัครอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัต tha อลาวะกะอัครอุปถาญาคาชื่อว่านันทมาตาและอุตราพระโคตมะพุทธเจ้าผู้มียศพระองค์นั้นมีพระชนมาายุร้อยปีฟังคำว่าร้อยปีเม่ไหรก่กระจายแป้วเลยนะ เขาขยากรในสมัยที่คนมีอายุเป็นหมื่นๆมืนปีเนี่ยนะพอพูดถึงร้อยปีเนี่ยนะไอเราปัญหามันก็100กร้อยก็ไปถึงอีกเนี่ยนะมันลดเล็กเกินเนี่ยนะมนุษย์และเทวดาที่ที่อยู่ณที่ประชุมสมาคมนั้นที่เขาทำบุญกันเนี่ยนะได้ฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอนุมัตสีพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ปลาบปลื่มดีใจว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อผู้ทางคูลท่านผู้นี้เป็นว่าที่จะได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้เเจาในอนาคตานะเพราะฉะนั้นหมื่นโลกธาตุหมายถึงเทวดาและมนุษย์ในโลกธาตุพร้อมทั้งเทวดาโลกก็พากันโห่ร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญชลีนัมสการกล่าวว่า นี่นะถ้าหากว่าเราพลาดคําสั่งสอนของพระโล ก, ก น, นาพระองค์นี้ถ้าเกิดพลาดนะไม่บรรลุโสดาปฏิมกักสวัสกะทักมีมกักอนาคามีมกักอรหัตมักในคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะอนาคตตการพวกเราก็จักอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้พลาดครั้งนี้ครั้งหน้าก็ยังพอมีโอกาสใช่ไหนยังนึกอุ่นใจนะครั้งนี้หมาธรรมะทำไมมันยากเหลือเกินเนี่ยนะแต่ว่าช่างเถอะครั้งนี้พลาดนะขอครั้งหน้าก็แล้วกัน รอข้างหน้านะเขาเขารอในฐานะจะจะเป็นผู้ฟังนะไม่ได้รอฐานะจะอ่าอย่างอื่นนะรอที่จะฟังรอที่จะบรรลุในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าเขาก็จะเย็นกันดีเหมือนกันนะมนุษย์ทั้งหลายเมื่อข้ามแม่น้ำพลาดท่าน้ำข้างหน้าก็ถือเอาท่าน้ำข้างหลังข้ามแม่น้ำใหญ่ฉันใดพวกเราทั้งหมดถ้าว่าผ่านพ้นพลาดโอกาสในการตรัสรู้ธรรมในศาสนาชินเจ้าพระนามว่า อโนมทัศีนี้ในอนาคตการอีกหนึ่งอสงไขยแสนกับพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าของท่านผู้นี้ฉันนั้นเหมือนกันเชื่อไหมผู้ที่จะอดใจรออย่างนี้มีหลายๆแสนคนด้วยกันเนี่ยนะมันดูในพวกในอัปทานเนี่ยเห็นชัดว่าท่านเหล่านี้ท่านก็รอมาตั้งสี่อสงไขยจริงๆหนึ่งในจำนวนผู้ที่รอถึงสีอสงไขย น, นั้นก็คือพนางยโสธราเนี่ย น, นพะพนางยโสธราก็ทาบุญมา เสียสงไัยเหมือนกันนะมันก็มีคนที่เขาตั้งใจตั้งหมดตั้งใจโอ้รอได้ใจเย็นจริงๆบางครั้งบอกโอ้รอไปเต้อะไรรอไปเธอเดี๋ยวขอไปก่อนนะั่นะนะอะเงี้ยนะอา้าวเรียกว่าไปถึงไหนแล้วก็ยังหิ้วกระเป๋าเดินกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละเพงั้นะนะนะทําท่าจะได้ไปทําท่าจะได้ไปตกเครื่องทุกทีเนี่ยนะ ฝ่ายพระโพธิสัตว์ผู้เป็นยักษ์นี่นะพอได้สดับพระดำรัสของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็ยินดียินดีเสร็จแล้วก็สลดใจสังเวชใจอธิษฐานข้อวัดยิ่งยวดให้ขึ้นไปอีกเพื่อบำเพ็ญบารมีให้เต็มบริบูรณ์ย้อนกลับมาประวัติเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอโนมทัศสีสาศาสดานั้นพระองค์มีนครเป็นที่เกิดชื่อจันทวดีพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้ายศวา พระพุทธมารดาชื่อว่าพระนางยะโสธราพระองค์ทรงครองคารวาสวิสัยอยู่หมื่นปีทรงมีปราศาท์ชั้นเยี่ยมสามหลังชื่อว่าสิริอุปสิริและวัฏะพระองค์มีพระสนมนารีสองมื่นสามพันนางที่เป็นนางนางฟ้อนนางรำเป็นต้นนะนะพระองค์มีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางศิริมามีพระโอรสนามว่าอุปสาล พระชินพระพุทธเจ้าทรงเห็นนิมิตสีเสด็จออกอภินิสกรมด้วยยานคือวอใช้นั่งวอกปเนีนะทรงตั้งความเพียรอยู่สิเดือนเต็มนะนะรวบรวมโพธิปักชยธรรมพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเจวันนะนะพระพุทธเจ้าองค์นี้สิบเดือนพระมหาวีระเจ้าพระองค์ผู้แกล้วกล้าพระองค์นั้นที่มีพระนามว่าอนุมัตสีมหามุนีผู้สงบ หลังจากตรัสรู้อันเท้ามหาพรมอาราธนาทรงประกาศพระธรรมจักรณสุธรรมราชอุทยานอันยอดเยี่ยมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นประสูตรในป่าตรัสรู้ในป่าสแสดงธรรมจักในป่าประทับอยู่ในป่าสะส่วนใหญ่ในที่สุดก็ปรินิพานในป่าอันนี้เป็นปกติของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยนะพระอนุมัตสีศาสดา มีพระอัคาราสาวกชื่อว่านิสภะและอโนมะมีพระพุทธอุปถากชื่อว่าวรุณะมีอัคาราสาวิกาชื่อว่าพระสุนทรีและพระสมนาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอัจชุะิะต้นกลมมีอัคาราอุปถากชื่อว่านันทิวัฒน์และก็สิริวัฒน์มีอัคาราอุปถายิกาชื่อว่าอุปลาและปทุมาปทุมาก็ไปกับเขาด้วยนะ พระมุนีสูงห้าสิบแปดศอกสูงมากรัศมีของพระองค์แล่นไปดุจ ด, ดวงอาทิตย์รัศมีออกจากพระวรกายเป็นช่อช่อสมัยนั้นมนุษย์มีอายุประมาณแสนปีพระองค์มีพระชนถึงยือพระชนมายุยืนถึงปีอย่างนั้นจึงทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอกคสงสารป่าพดคือธรรมวินยัย รรมวิไนอะนะเรียกว่านับสองก็เรียกว่าธรมกับวิไนนับหนึ่งก็วิมุตติรสนับสก็ปิดกสนับ5้านิกายหานับ9้าคำสอนอันประกอบไปด้วยองค์9อันพระอรหันต์ทั้งหลายผู้คงที่ปราศจากราคะไร้มนทินให้แผ่ไปดีแล้วคำสั่งสอนของพระชินเจ้าจึงงามพระศาสดาผู้มีพระยศหาประมาณมิได้พระองค์นั้นด้วยคู่พระสาวกอันใครใครวัดมิได้เหล่านั้นด้วย ทั้งพระศาสดาทั้งพระสาวกทั้งหมดนั้นก็อันตรทานไปสิน้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้พระอนุมัตสีพุทธเจ้าผู้ชนะผู้เป็นพระษาสดาพาสัต์ข้ามจากวัตตะเสด็จดับขันธปรินิพานณพระวิหารธรรมรามสถูปของพระองค์ณนะารามนั้นสูง ย, ยีง่สิบโยชนะจะดีสูงมากรนะพุทธเจ้าพระองค์นี้ เนิ่นนานศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ผ่านไปมาดูข้อความในอัตถกถาว่าเมื่อพระโสดพิตะพุทธเจ้าปรินิพานเนี่ยนะดับขันปรินิพานคําว่าปรินิพานในที่นี้ไม่ใช่นิโรธสัจจานะนะปรินิพานตัวนี้ไม่ใช่เป็นชื่อของนิโรธสัจจ์แต่เป็นชื่อของการสละโรคเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ เป็นการทิ้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วไม่ถือเอาขันหล่ใหม่ๆทิ้งกองทุกแล้วก็ไม่ถือเอากองทุกใหม่ๆตัดสาเหตุเพราะแทงตลอดอมาตะนิพพานที่คนโพพฤกเนนนะหลังจากที่าศาสนาหมดสิน้นภายหลังมาสมัยของพระพุทธสมัยหลังจากนั้นมาหนึ่งอสงไขยก็ว่างเว้นจากพระพุทธเจ้า ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเลยตลอดหนึ่งอสงไขยเมื่ออสงไขยนั้นล่วงไปแล้วในหนึ่งกัปนั้นก็มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นสามองค์เมื่อหนึ่งอสงไข่แสนกัปที่แล้วเนี่ยมีพระพุทธเจ้าในกัปเดียวกันนี้เกิดสามองค์คืออโนมาทศีปทุมะและพระนารทะ พระพุทธเจ้าทั้ง3าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามออโนมัสิสีทรงบำเพ็ญพระบารมี16อสงไขยแสนกับเป็นพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาทิกะเนี่ยนะวิริยาที่กนะรกพระพุทธเจ้าอนมาุมัสิสีบังเกิดหนสวรรค์ชั้นดุสิตก็คือหลังจากที่ปัญจมหาบริจาคเช่นกับพระเวสสันดรแล้วก็เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตอันเทพพ ย, ายดา อ้อนวอนเทวดาในหมื่นโลกธาตุมาอ้อนวอนอาราธนาให้อย่างลงสู่พระคันเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพาเทวดาให้ข้ามพามนุษย์และเทวดาให้ข้ามจากวัตตะพระองค์ก็รับอาราธนาจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเคลื่อนจากดุสิตนั่นแล้วก็ถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางยะโสธรา ผู้มีพระเต้าฐานอันงามช้อนอัครมเหสีในราชสกุลของพระเจ้ายสวากรุงจันทวดีราชธานีเล่ากันมาว่าเมื่อพระอนุมทศสีกุมารอยู่ในพระรันของพระนางยโสธราเทวีด้วยด้วยอนุภาพแห่งบุญบารมีของพระองค์เนี่ยนะพระรัศมีแผ่ไปตลอดเนื้อที่ประมาณแปดสิบสอกรัศมีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ข่มไม่ได้ แปลว่าในรัศมีประมาณ40เมตรเนี่ยนะไม่ต้องใช้ไฟอย่างอื่นเลยสบาย